ตังดันตังสุขาวงดันโตเตโตมนุษเสสอิมั ส, สมัมมาปริยยตสอโทสาทายสมันเตหิสกจังธรมโมโสโมติถ้าพูดแค่นี้ก็ไม่เข้าใจกันหรอก ยกแต่พาติดขึ้นแค่นี้แล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ความหมายอะไรต้องอธิบายก่อนพวกเราพึ่งเป็นใศึกษาไม่ได้เรียนมามากเพียงแต่ยกพาติดขึ้นเฉยๆไม่ได้บรรลุแล้วพวกเราไม่ได้เข้าใจละ ออธิบายตะก อ, อนเมื่อยตะก อ, อนเนี่ยอธิบายไปตะก อ, อนเอาละยังไงยังไงก็จะขอบอกเบื้องต้นไปก่อนเบื้องต้นที่กระทำมาตะ ก, กี้นี้มีการสมท า, านศีลหรือว่าประกาศปฏิญาณตนถึงพระไตรสารนากมตะกอน ผู้นับถือพุทธศาสนานี่จะทํามีพระไตรสรณคมเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่เคารพนับถือเป็นที่กราบที่ไหว้ไม่ได้ถือสิ่งอื่นมั่นตะก่อนนี่หลักการของครูบาอาจารย์ท่านประกาศศาสนาสมัยก่อนนะประกาศศาสนาศาสนาสมัยหลว ง, งปู่สาวหลวงปู่ปูติิ มาท่านก็นยึดเอาพระราชนาจายนี้ประกาศศาสนาเพราะว่าญาติโยมทั้งหลายปากันนับถือผูดปีบีตรัอากลักขุนมูจาญาบาทผีฝ่าผีแทนปีแน่นตาทอตินจุ่มวลิ่นทุ่มว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตัวเอง เข้าใจว่าของนั่นดีของนั่นประเสริฐจริงๆถือขังจริงๆด้วยนะแต่ ถ, ถึงเทศการมาก็ต้องไปเลี้ยงเขาเป็นการใหญ่มีการฆ่าหมูฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าอะไรต่ออะไรทุกปีทุกปีเป็นอย่างนั้นท่านเห็นว่าโอ้ถ้าปล่อยไม่ถืออ่ อย่างนี้เป็นที่พึ่งแล้วญาติโยมของเราก็จะตกนรกหมกไหมกันแน่นอนเพราะว่าไปฆ่าตัดตัดชีวิต เ, เลี้ยงเขาทุกปีทุกปีถ้าไม่เลี้ยงก็กลัวมันจะเป็นเหตุเพศไปหัวจะมันงาบีบคอเราหัวจะมันมาฆ่าเราสำรองนี่ใจสอกใจอ่จอนใจไม่มีพระไตรป น, นนคม กลัวผูป้ปีศาส์ทั้งหลายจะมาเบียดเบียนลําควณเราก็เลยเชื่อกันําตามมาอย่างนั้นเชื่อตาตำกันมาอย่างนั้นไม่มีอะไรเลยท่นานึงสารญาติสงสารโยมท่านจึงทําพิธีอย่างนี้ให้ทําพิธีประกาศปฏิญาณตนถึงพระไตสรสนนคมอย่างจริงจังซะก่อนอ้าวอ่า ให้ถือมั่นอย่างเดียวแต่พูดผีผีตาดอยากจะเบียดเวียนข้าพเจ้าขอเชิญเชิญตามสบายนะแต่ข้าพเจ้าถึงพระราชนาฏิแล้วข้าพเจ้าไม่เบียนเวียนใครอีกแล้วอไม่เวียดเวียนใครอยากต้มเราเราจะหาหมอมาให้ต้มใครอยากแกงเราเราก็จะหาเครื่องแกงมาให้แกงใครอยากลาบเราเราก็จะห า, ข, าข้าวคั่วของหอมให้ เอาเลยนะผีทั้งหลายเอ๋ยเขาเปเจ้าถึงพระใจสนาคมแล้วถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วอยากกระทําอะไรก็ตามชอบใจเราไม่เหมียนเวียนต่ออีกแล้วเ อ, อจะให้ฆ่าเขาเปเจ้าฆ่าสัตว์สัตว์ชีวิตอีเข้าเปเจ้าไม่เอาแล้วเลิกแล้วตรงเด็ดขาดลงไปอย่างนี้เดเ อ, อแล้วก็โอ้ยมันก็ถอยกูดระพวกนั่นโอ้โหเอาจริงก็จังขนาดนี้เลอ ไม่สู้เลยยก ต, ตวายหลีทางเลยพวกปูดปี๊ปีตัดหลีทางเลยวิญญาณทั้งหลายเห็นอุบาศกอุบาสิกานี่ยกมือทั่วหัวเลยมันเทวดาเหมือนกันเทวดาอารักษ์ทั้งหลายเห็นอุบาศกอุบาสิกาผู้ประกาศปวิญาณตนถึงพระไตรชนนครเหรอไอเลีกไก่มันนะ่ะนนะดีกูุ่นส เอ่ยกำแพงเมืองพังไปแล้วไปในธรรมดาหลีกอุบาศกอุบาติกาอุนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แน่แน่ไม่หวั่นไหวแล้วต้องเป็นคนอย่างนั้นนะอุบาศกอุบัติกาได้ประกาศปฏิญาณไปแล้วตะกี้นี้จะเข้าใจว่าเป็นของไม่ดีนีจริงๆดีจริง ๆ, รงๆเราได้ของดีแล้วของอย่างอื่นเนี่ยมันของชูจิตเฉยเฉยหรอ พะก็ดีเหรียญก็ดีอกําไรแขนก็นดีสายส้อยก็ดีเขื่องจูจติดเป็นเครื่องที่ระลึกต่าหากอ๋ออันนี้คราาูบาอาจารย์แจกให้เป็นพุทธคนณธรรมคุณสังฆ ค, คุณอยู่ในนี้ละมั้งท่านเตกละมา้างทนายเราเป็นที่อบบุญจิตใจแต่ว่าความเป็นจริงแล้วคือพระไตรสรณคมที่เรา ประกาศปฏิญาณถึงแล้วตะกี้นี้ล้านเป็นของดีของวิเศษมากให้เรายึดให้เราถือจริงๆงจังๆไม่เป็นเครื่องขัดข้องในปฏิภาวานาถ้าถึงพระใจสาธา ร, รคมจริงๆจังจังแล้วเวลาไปทำคอมเพียนเดินจงกรมก็ดีล่างสมาธิก็ดีภาวานาก็ดีเจริญเมตตากรุณามุติตา อะไรอะไรก็ดีมีแต่ของดีๆดดทางนั้นเข้าไปมันกระชูจิตมากขึ้นอโอ้ยเพิ่มปีติเล้วๆเกิดความเพิ่มปีติปราโมทขึ้นเร็วๆจิตถึงปีติแล้วก็สุขแล้วก็เอกาตาจิตก็มาพร้พอมๆกันนี่แหะ ถ้าใจเรามั่นคงไม่หวั่นไหวอย่าไปสงสัยใดๆตั้งนั้นเราเป็นอุบาสกอุบาติกาต้องปฏิบัติตามแนวทางรูวาจยา์แนะนำไว้ให้พวกเราแล้วหลงภูสิงของเราจนพิมพ์หนังสือพระไตรสรนคมออกแกกกันกุรุลแต่ไม่ได้อธิบายให้แกมแก้งเท่าไรนั่น ท่านเพียมแต่ว่าใอ้ถึงพระไตรสาราคมจริงๆจังๆเท่านั้นแต่ว่าความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในพระไตรสาราคมมากมายมหาศาลน ะ, ะไม่ใชแ่แต่ไม่ใช่แต่มนุษย์เท่านั้นแม้แต่ผูดผีปีศาจทั้งหลายก็เกรงขามเขาลบนับถือมนุษย์สานังปิโย โ, โหติทีเดียวละ มนุษย์สานาังปีย โ, โหติเทวดาลักขันติแม้แต่เทวดายังรักษาเลยนะรักษาผู้มีพระไตรรนครเทวดาองค์ไหนไม่ดูแลอุบาสกอุวาิกาแล้วเทวดาองค์นั้นไปเข้าประชุมในเทวสมาคมเขาไล่ออกจากเทวสมาคมมาไม่ให้ไม่ให้มาใกล้ มาอย่ามาเข้าประชุมไม่รักษาอวสุกไม่รักษาอวตาริกาไล่ออกจากที่ประชุมเลยใน เ, เทวโลกอนะ่ะในชั้นจารุมนมีเท่าเวส่วนรเป็นประธานประชุมเทวดาทั้งหลายอะ่ะพวกเทวดาทั้งหลายต้องถูกไล่ออกจากเทวสมาคม หน้าแตกไปเลยเงี้ยนะแต่ว่ามีพัสดุเตอร์ติดหน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสมัยขอเนเป็ น, ยนะ น, นยอย่างนั้นจริงๆนะเนี่ยหลวงปู่นั่งยิ้มอยู่เนี่ยนางยิ้มฟังเราอยู่เนี่ยอเออเอามันคักๆหน่อยไว้เหมันเอามันคักๆหน่อยไว้ว่าอไม่เอาคักๆแล้วเพมันพอถึงใจพอฉันนั่นขอโอกาสฉันแล้ววันนี้จะได้ใช้เสียง อ่าเทศนาให้แก uh, ่อ e <c oughs> ุบาสกอุบาสิกาฟังให้เต็มเป่าเลยละวันเนี้ยจะลองแรงๆด้วยฟังแห่งหนาวแรงๆเลยว้ามาตื่นตกใจว่เอออย่าตกใจนะอย่าเข้าใจว่าพระประสารนะพระดีๆเนี่ยลายยังไม่ประสารหรอกเออลายไม่ดีเขาใจพวกเราได้ของดีแล้วต้องรักษาของดีอย่าเข้าใจว่า พระพุทธพระธํามก็สงไม่เป็นของดีนะใช่แต่เท่านั้นดีสาหรับป้องกันชีวิตให้ปลอดไปและความเป็นอยู่มีความสบายไม่มีอะไรมาลบควรลังควรเราอีกแล้วเราได้ประกาศปฏิญาณตนเป็นพุทธมามากะ โดยมีพระเจ้าก็ะสองเป็นสักขีพยานเต็มไปหมดเนี่ยไม่ใช่อุบาทดีกาปลอมไม่ใช่อุบาทศกปลอมแต่แล้วเนี่ยาาแต่มาเป็นปลอมๆก็แล้วเขาไม่กลัวหรอกมาเป็นปลอมๆเฉยๆไม่ในประกาศปฏิญาณอะไรและเขาไม่กลัวเขาไม่หลีกทามให้แล้วเห็นดังผู้ใหญ่บ้านกำรันจะได้เป็นผู้ใหญ่บ้าน ถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องได้รับการแต่งตั้งซะก่อนประชุมกันแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านก่อนมีเสารเสียงกันซะก่อนหาเสียงกันคนไหนมีเสียงข้างมากค้างมากกว่าเพื่อนแล้วในคะแนนสูงกว่าเขาแล้วผู้ปกครองหรือหัวหน้าท่านเป็นนายอำเภอก็ดีหรือว่าเป็น กรมการจังหวัดออกมาแต่งตั้งให้เขาก็ยกย่องให้คนที่มีเสียงมากนั้นตั้งแต่มันนั่นเป็นต้นมาแล้วก็นด้แต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านถูกต้องหรือเป็นกำนันก็เหมือนกันเมื่อประชุมแล้วจะแต่งตั้งกำนันก็เหมือนกันก็ได้ประชุมกันซะก่อนใครเป็นคนคะแนนสูงกว่าเขา แล้วก็มีผลงานมากกว่าเข า, เาแล้วก็เสียงมากอีกด้วยผู้เยาว่าคนนั้นคนนั้นเป็นผู้มีงานเข้มแข็งดีมากเอาก็แต่งตั้งคนนั้นเป็นกำนันขึ้นแล้วก็ได้ใบาตาตั้งซะด้วยอย่างนี้ทุกระดับขึ้นไป ได้รับการแต่งตั้งซะก่อนเมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้วไปกล่าวว่าใครต่อใครก็มีอํานาจจะมาตัดสินความอะไรอะไรเอ่อกับเกิดเรื่องเกิดลาวภายในบ้านอย่างนี้เออดันกาลังดันบอกอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ของกัเดืยอคว้างท่านประกาศตัวเองว่าข้าพเจ้าเป็นกนําลังข้าพเจ้าจะจัดการเองหรอใครจะเชื่อห่ะไม่ได้รับการแต่งตั้งมากอ่อนนี้เป็นต้น เหมือนเดียวกันเราเป็นรูบาศกภูบาปิกาเราได้รับการแต่งตั้งแล้วเมื่อวันที่สามสบเดือนพฤศจิกายนโดยมีครูวาจารย์นั่งบนธรรมะแต่งตั้งให้เราแล้วมีพระเจ้าประสงค์นั่งล้อมเราเป็นเป็นสักขีพยานพูด <c ười> มากไา่หลายองค์แล้วอยู่เนี่ยนิพขอรับรองว่า ถ้คุณเจ้าทั้งหลายรับและทราบแล้วว่าพวกเราเป็นอุวาสโสกวะพิกาถูกต้องตามกฎกติกาอนะไรกมีอำนาจเต็มที่แล้วบวกเราได้ของดีไปประจําใจเราแล้วจงประพฤติปฏิบัติพระไตรสรณะคมของเราให้สมควรแก่การปฏิบัติอย่าไปย่อหย่อนมันเลย การประพฤติปฏิบัติพระไใจสรณคมนั้นพระวาจาท่านแนะนําแต่เบื้องต้นเออห้ามไม่ให้กินของดิบาของดิบที่ไม่สุกด้วยไฟเป็นเลือดอยู่สดสดต์อยู่ลาบเลือด ก, กินไม่ได้ละกินไม่ได้ของสดสดสลายกินไม่ได้ต้องให้สุกด้วยไฟซะก่อนเออมันบอกแล้วละ่ะ แม้แต่พระเจ้าพระส์ไปกินของดิบๆก็เป็นอาวาสทุกำคำเกินเลยนะ่ะพระเจ้าพระสงนะ์เ่านีวินัยบังคับไว้้ไามา่ให้กินของดิบเป็นนานกาตต้องสุก้วยไฟซะก่อนแม้แต่ปลารหรือว่าส้มปลาเรืออะไรที่มันมันยังไม่สุกก็อทอดให้มันสุกซะก่อนให้ขญาติโยมเขาทอดให้สุกซะก่อนจึงก่อฌาน วินัยของเราก็ดีขึ้นไม่เป็นอาบัตไม่เป็นโทษถ้าขืนกินของดิบๆแดงๆไปละทิกตูเป็นโทษผู้ถวายก็เป็นโทษอีกเนี่ยเป็นโทษโทษยังไงเป็นโทษผู้ถวายของดิบของดายของดิบๆแดงถวายพระอันนี้สงันเกิดชาติต่อไปกลายเป็นยักษ์เป็นมารไปกินของดิบของแดงไป ก็ไปจีนของอที่ไม่ตกโดยพื้นโดยไฟเกิดเป็นงูมันก็คาบกันไปเลยละลึดกันไปเลยทั้งเป็นเป็นเลยละนีนปวดๆขายิ่งชอบใจใหญ่เออ น, น, น่เน่เดี๋ยวมาเกิดมีกรรมไปอย่างนั้นเพราะอย่านั้นเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาให้เต็มเปรี่ยมไปด้วยความเมตาตากรุณาให้มากๆอย่าให้ ถึงเขาได้รับความเดือดร้อนเพราะการอุปโภคบริโภคของเราการกรินของเรารู้จักหอมหมากพอดีแอ้มันสุกล้วนตะคอนน่ากิงค่อยกินจนตลอดที่อยู่ที่อาศัยท่านก็แนะนำพร่ำสอนให้รักษาความสะอาดอย่าให้ส ก, กโรลกโลรย อ่าที่หลับที่นอนให้ปัดให้กวาดให้เช็ดให้ถูเสื้อผ้าพออย่าให้เหม็นสาบเหม็นคาวได้ให้ซักให้สะอาดอ่าที่ไหว้พระหิ่งพระของเราโต๊ะหมู่บูชาของเราหรืออะไรอย่าให้มันเศร้ามันหมองให้ปัดกวาดเช็ดถูให้ใสอยู่อย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติใจตาธารคมอ่าตลอด ขึ้นบ้านขึ้นช่องเราถ้าพอมีจัดมีองค์ล่างเท้าล่างเท้าตะก่อนจึงค่อยขึ้นบ้านอย่าเอาขี้เป็ดขี้ไก่ที่เหยียบมาทั้งหลายเหยียบขึ้นไปบนบ้านเป็นอันคาษเท้าไม่ได้ล้างแล้วก็ขึ้นบนบ้านไปเหยียบไปทุกคนทุกแห่งอย่างเงี้ยต่อไปมือก็กับเศษของสงปรกทั้งหลายก็เปิดแดเปื้อนไปหมดทุกผลทุกแห่ง อ่ก่อนจะขึ้นที่หลับที่นอนก็ต้องดูเท้าให้มันสะอาดล้างเท้าให้สหะนอาดตะก้นอ่แล้วก็ไหวพระตระตนรายไหวพุทธคุณธรรมาคุณสังฆ ค, คุณเจ้าจึงค่อยนอนอ่ถ้ามีโอกาสพอก็เจริญเมตตาแต่เมตตาไม่ตีจิตมิตรภาพปาตตนาดีไปหาเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก่อน เรามีชีวิตรอดปลอดัยมานี่ก็เป็นบุญเหลือเกินแล้ว เ, เราได้มาพบพระจันตร์ใจสารนคมปฏิบัติอยู่เดี๋ยวนี้รักษาสินอยู่เดี๋ยวนี้เป็นบุญเป็นกุศลเราขออุทิศส่วนบุญที่เกิดจากการกระทำของเราปฏิบัติมานี้ให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายด้วยเอาขนาดนั้นนะ ให้ทุกวันทุกวันนะให้ส่วนบุญเสมอโดยอำนาจบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญกระทําบำเพ็นมาด้วยกายทวานวาจีทวนันมโนทวาลเป็นอามิทบูชาก็ดีปฏิบัติบูบชาก็ดีขออุทิศส่วนบุญทั้งหมดนี่ให้แกผู้มีพระคุณทั้งหลาย มีบิดามารดาปู่ยาตายายครูบาอาจารย์ญาติสนิตมิตรหายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงอนุโมทนาเถิดนะพระเจ้าให้ส่วนบุญแล้วถ้ายังไม่รู้โย่ขอเทพพระเ จ, จ้าจงเป็นสักขีพยานนำข่าวสารการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ไปให้แก่ตัดทั้งหลายด้วยเถิดนะ ทั้งหลายได้รับทราบด้วยญาณ น, นาวิธีของตนชัดแจ้งแล้วประจง ม, มีความปิติยินดีน้อมจิตอนโมทนาสาธุการเอาเหมือนตนทมเองเถิดถ้าโมทนาแล้วหากตกทุกข์ก็จะได้พ้นจากทุกข์ถ้าถึงสุข ก, ก็จะได้พ้น ก, ก็จะได้ถึงสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป สมใจวาธนาเพราะเราให้ส่วนบุญแล้วดังนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเป็นอย่างนั้นศาสนาของเราเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ครั้งพระเจ้ า, าประเสรที่โกศลอนอนเปรตเบีพระยาพิมพิสารตกทุกข์ได้ยากลําบากมาถ้าได้กับธรรกันแล้ว เ, เมื่อพระเจ้าพิมพิสาร อุทิศส่วนบุญให้แล้วก็ได้ส่วนบุญในขณะนั้นเพราะจิตอนุโมทนารัาร่างกายก็กลายเป็นทิพย์ขึ้นมาเสื้อผ้าอาภรริก็กลายเป็นอาภร์ทิพย์ขึ้นมาอาหารทั้งหลายเกิดขึ้นในขณะโมทนานั่นก็กลายเป็นอาหารทิพย์น่าที่สุดก็เป็นวิมานทิพย์ให้เพราะใจอนุโมทนาอย่างเงี้ยมีความสุขขึ้นนั่นทีอย่างนี้มันก็ เป็นจริงมหัศจรรย์มากเป็นนิมิตอันหนึ่งเหมือนทั้งเราฝันไปนี่เองเราไม่เคยบินไม่เคยบินเคยเหาะได้แต่เราฝันไปทําไมเราเหาะได้เราทําไมบินไปได้เหมือนนกเหมือนกาอย่างนี้นะมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปได้ในนิมิตนั้นอันนี้ก็เหมือนกัน ทำไมจะได้จิงของทิพของอเริสอร่อยเป็นรถที่มีทิพย์ไปหมดทุกอย่างร่างกายทำไมจะเกิดเป็นทิพย์ได้เสื้อผ้าอ่อนทําไมเกิดเป็นทิพย์มาได้เพราะสําเร็จด้วยการโมทนานั่นเองเรามีความว่รโมทนาสาศุดการก็เกิดความสุขขึ้นทางจิตใจ เพิ่มปิติขึ้นมาตัวลอยไปเลยมีความปิติยินดีละลอยขึ้นมาเลยตัวเองไม่เคยลอยละลอยไปได้เลยอย่างนี้เรียกว่าบุญเกิดขึ้นเพราะบุญแท้พวกเราก็เหมือนกันเรามาบวชปฏิบัติจริงจงจังๆลงไปอมายินดีในศินของตัวเองในการให้ทานของตัวเอง ในการกระทาคุณงามความดีเจริญเมตตาภาวนาของตัวเองอทุกวันทุกคืนไม่ได้ขาดเลยเกิดมีความจุกึ้มติ ต, ติขึ้นมาเอ้ยเรามีบุญมากเราได้ทำอย่างนี้เรามีบุญมากถ้าเราไม่พบพระพุทธศาสนาเราจะไปทำอย่างไรวะ จึงจะได้ความทรงอย่างนี้นี่เราพบพุทธศาสนาพบคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า ว, วางไว้แล้วแหมมันเป็นลาบอันประเสริฐของเราจริงๆนะเป็นโชคเป็นลาบของเราแล้วพบคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแหมทำให้เราปื้มปิติทําเรากายบริสุทธิ์ได้ ว่ายาบริสุทธิ์ได้จิตใจบริสุทธิ์ได้เพราะคำสั่งคำสอนท่านสอนให้เราประพฤติปฏิบัตินี่เองให้เข้าใจ<ม>แล่าเป็นราบแล้วนะพวกเรานะเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นราบแล้วเพราะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เอง ก, ก็เป็นราบแล้วเกิดทันสมัยที่มีคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกก็เป็นราบมันประเสริฐของเราแล้ว จะหาไหนไม่มีอีกแล้วแต่ว่าผู้ที่ได้สัมผัสรสชาติของพระธรรมแล้วก็ย่อมปลื้มปิติยินดีมากสำหรับผู้ยังไม่เคยลิ้มรสพระธรรมหรือไม่ลิ้มรสชาติของพระธรรมแล้วก็ย่อมอมีตะคิดตะขวงใจอยู่นั่นแหละหาเรื่องหารลวททำลายพระพุทธศาสนาอยู่อย่างนั้นละ บางคนนะของกำลังปั้นเรื่องขึ้นกำลังกล่าวไล่ป้ายสีใสพระพุทธศาสนานานาชนิดนานาประการนับไม่ทวนถ้าพวกเราเาลาะและไม่จริงไม่จังแล้วอาจจะถูกทำลายและลมเหลวไปก็ได้เขาจ้างกันมาแล้วจะบอกให้นะ เขาจ้างกันทำลายนะเดี๋ยวเนี้เขาจ้างกันทำลายพระพุทธศาสนาทำยังไงประกาศศาสนาของเขาศาสนาของเขาไม่ก้าวไปเลยเพราะฉะนั้นทำลายพระพุทธศาสนา้ะก่อนจึงจะประกาศศาสนาของเขาได้เต็มที่ถ้า <c oughs> ทำยังไงล่ะเขาก็จะจ้างกันแล้ว เบิกเงินมาจากสำนักวาติกันออกมาเป็นพันๆล้านหมื่นล้านแสนล้านเขามีเงินหลายสำนักวาติกันออกมาจ้างไปวางแผนเนอะวางแผนอย่างนั้นอย่างนี้ใครจะเอาไปเท่าไหร่ <c oughs> เราจะให้วางแผนทําลายพระเจ้าพระสงฆ์สักกอดองค์งไหนดังเขาหมายหัวไว้อยู่นะเขาบอาว่าหมายหัวไว้อยู่นะทํายัางไงล่ะ อ่จะให้ทำลายแบบไห น, นเฮ้ยมันไม่อยากอะไรไว้อืมไม่ยากอะไรไว้เขาพอให้กินยากันผงยาให้กินบ้างลองนี้่ต้องยาอะไรยาเขาเรียกว่า อ, อะไรเขาจิงเกอเขาจิงเจอเขาจิงเจอเขาให้กินจินแล้วก็คึกดีพระเจ้าประสงอยู่ไม่ได้เออ เห็นผู้หญิงมากระทนไม่ไหวโกรธตายเลยตํานองเนี่ยเนี่ยก็เลยทําลายไปแล้วเสียหายไปแล้วอย่างเนี้ยอ่าดูเขากุมปั้มทำด่าอะไรไม่ดีไม่ร้ายต่อพระเจ้ากระสงนีอ่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเขาไปทำพิธีหลายอย่างเ อ, อทําพิธีหลายอย่างให้เข้าไปกร อ, อย่างเนี้ย พอพระคุณเจ้าอยู่ที่นั่นอยู่กุฏิแล้วหรืออย่างนั้นอย่างนี้เขาให้ถอดผ้าเหลืองหรืออะไรออกแต่แล้วสักวันเดี๋ยวเดียวก็มีสิกาถอดผ้าพวดพุ่งเข้าไปหาพระคุณเจ้าเขาก็ถ่ายรูปเอาในเวลานั่นเลยถ่ายรูปเอาเวลานั่นพระคุณเจ้าไม่รู้วิโดิเนกไอายาอายาเรื่องอะไรอ่าแล้วก็เอาไปลงหนังสือพิมพ์ต่อไปอย่างนี้ก็บมีข่าวที่ออกมาเหล่านั้น เป็นข่าวที่อย่างนี้เหมือนกันนะข่าวที่มีผู้มาแต่งตัวให้พระคุณเจ้าเอาแต่งตัวให้แต่งยศให้อย่างดีแต่งต้นรรัพาไปเที่ยวาพาไปเที่ยวไปถึงไหนแล้วเขาก็ตามล่าไปเป็นลากตัวออกมาสิสัมปองเนี่ยแต่งตัวออกมาเป็นนายพันโตนายพันอะไรสัมปองเนี่ยทางนั้นก็ไม่ลุยหน่อยเลซื่อบือ้ออยู่เฉยๆแล้ว ไปลุยจับข้ออะไรๆของเขาที่จริงมันมีแผนมาแล้วทางนั้นแผนท้งนี้แผนมันอุ บ, บาทเกิดขึ้นแล้วเพื่อจะทำลายพระพุทธศาสนาของเราให้ย่อยยับให้ทำจิตใจของประชาชนขาดความเคารพนับถือไม่เชื่อเลยไม่เกิดศรัทธาเกิดเขาจะได้หันจะได้หันไป นักถือศาสนาอื่นเขาว่าสัมลองนี่วะระวังนะพวกเราเระวังนะระวังให้ดีเระคุณเจ้าต้งร้ายให้เด็ดขาดลงไปเด็ดเดี่ยวลงไปอาเกิดไม่ดีไม่ร้ายมาเราจะใช้ปัญญาของเราแก้ไขตัวเองได้หรือเปล่า แต่แก้ไขตัวเองไม่ได้ก็ตกเป็นเหยื่อของเขาแน่นอนอจําไว้เป็นหน้าหวาดเสียวมากทําอย่างนั้นหน้าหวาดเสียวมากเพราะเขามีเงินจ้างเอาคนที่ก็ทําอย่างนั้นน่ะคนที่ไปแต่งตัวให้พระน่ะแต่งตัวให้พระแต่งยศให้พระเขาเอาเงินไปแล้วสิบสามล้านเนะเขาก็ทําดิเอาเงินไปแล้วสิบสามล้านน่ะ ถ้าจะเป็นยังไงก็ช่าเราได้เงินสิบสามล้านแล้วก็ก็สบายใจเนี่ยติบล้านเก้าล้านแปดล้านเอาทั้งนั้นละเขามีเงินอะ่ะพวกนั้นจ้างได้ทั้งนั้นละเอาเอาเท่าไหร่เอาเท่ากันแต่พวกเราศาสนาพุทธไม่มีเงินจ้างเลยมีแต่ศรัทธารุ่นล้ว น, วนอุบาสกอุบาสิกามายังหันขันบา้าหมากมาทําบุญได้ทาน เขามาด้วยจิตใจเลื่อมใสศรัทธาไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นเลยแ <c oughs> ลศรัทธาจริงๆทั้งๆ ท, ที่เป็นของของเราซื้อมาด้วยเงินด้วยทองแพงมากราคาสูงมากแต่มายกถวายาพระคุณเจ้าอย่างนี้ไม่ต้องการอย่างอื่นเลยจิตใจศรัทธาแทะ้ๆอย่างนี้มันมีอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อได้ เห็นพระคุณเจ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็หมดศรัทธาถอยลงไปกรูดลงไปเลยอันนั้นเป็นเรื่องของบุคคลไม่ได้ใช่เรื่องพระพุทธศาสนาหรอกให้เข้าใจอย่างนั้นพระพุทธศาสนานี่เป็นของดีเป็นของวิเศษอยู่แล้วสามารถทำคนให้เป็นคนทำคนให้เป็นมนุษยธรรมมีมนุษย์ขึ้นมา มีคุณธรรมขึ้นในจิตในใจได้จริงๆไม่เป็นสัตว์เดรสารไปแล้วใจมีศีลห้ามีกรรมบกสิแล้วก็คุณธรรมในใจก็มีหินลิความลายมีโอษปะความเกรงกลัวต่อบาปขึ้นมาอยู่แล้วในใจไม่มีอย่างนั้นก็กลายเป็นมนุษยธรรมขึ้นมามนุษย์มี